หลวงพ่อลงกรุงเทพตั้งแต่วันที่สิบหกสิบเจ็ดกลับขึ้นมาวันที่ยี่สิบเอ็ดกลับขึ้นมาเจอหนาวเมื่อเช้าเนี่ยออกมาจากห้องมือแดงไปหมดเลยวงั้นแต่แดงนักแดงมันมันหนาวนะเลือดมันวิ่งไม่เลือดมันวิ่งไม่ไม่ทันว่า ง, งั้นอ่ะมือแดงเลยโอ้คันแท้นหนาว พอสมควรตัววันนี้วาห์หลวงพ่อลงไปกรุงเทพตั้งแต่วันที่สิบหกเย็นลงไปคราวนี้ก็พวกฝ่ายช่างการบินไทยเขานิมนต์ไปจำปีทุกปีนั่นหละหลายปีมาแล้วหลวงพ่อก็ได้ไปได้รับนิมนต์ พอเสร็จแล้วก็ได้ตรวจตาที่ลุงพ่อไปทำไว้คราวก่อนที่ไปยิงเลเซอร์จอตามมันจะสไลม์มันจะเคลื่อนมาจอตามมันจะเลื่อนเขาไปยิงเย็บเอาไว้เหมือนกับตอกตะปูเย็บๆๆมาให้มันมันเลื่อนมันไหลเหมือนกันแต่มันไหลออกผิดที่ ทำให้ตาบอดได้อันนี้นคือพิชาการของหมอเา้ายุคปัจจุบันถูกพอไปยิงเข่าก่อนยิงครั้งแรกกับสองอรอ ย, ยิงทีแรกร้อยกว่าร้อ ย, ยี่สิบกว่านัดนะพอวันต่อมาอีกสองวันให้หลังอีกยิงอีกสองร้อยกว่านัดแต่ไปยิงอีกคราวนี้อีก หกสิบกว่านัดนะยิงเลเซอร์ว่างั้นเป็นนันว่ายิงสามร้อยกว่าเกือบสนะี่ร้อยะแต่มันดีขึ้นไหมอยากจะถามก็เอ อ, เ, อเรื่องดีคงจะยังเก่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพียงแต่ว่าไม่ให้ตาดำแผ่นจอตามันสไลด์ออก เขายิงเย็บไว้เฉยๆว่า ง, งั้นเขาไม่ได้แก้ไขตรงที่มันจะให้สว่างหรือไม่สว่างเพียงแต่เขาเห็นว่ามันตาดำมันจะเลื่อนเขาก็เลยเย็บติดเอาไว้ก่อนเพราะว่าตาตรงตาขาวที่มันที่ตาดำมันจะไหลออกมามันฉีกขาดครัว่า ง, งั้นอันนี้ก็คือได้ไปทำแต่ผลการตรวจสอบเขาก็ว่า เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรถ้ามีอะไรก็คงจะไปพบกับเขาลักษณะอย่างงั้นแหละแต่ก็คงไม่มีอะไรอันนี้ก็คือหมอจะนี้จากหมอก็ไม่ได้ในขณะที่เรายังนั้นอยู่แต่จะไปเชื่อทีเดียวจนหายใจเข้าก็หมอหายใจออกก็หมออย่างนั้นทีเดียว ก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนั่นแหละถึงจะพึ่งหมอขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งถึงคราวมาแล้วมันก็เป็นไปตามอัตรภาพของมันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่างงานที่สามก็คืองานศพหมอสุเมรที่เคยมาวัดเราน่นนะเคยส่งพวก สตรงสตอพวกผลไม้มาทำข้าครัวของเราพวกในครัวคงจะรู้จักดีมังหมอสุมเมศนะกุลันนะแต่ขราวนี้ลงไปก็รู้สึกว่าป่วยเป็นมะเร็งในเชียวสมองนะนี่ยมันขึ้นไปกองบัญชาการเลจะทำยังไงไดนะ้ไปตีถูกจุดหรือไมะนะักนได้ผลที่สุดก็ ได้ปี ก, กว่าๆยื้อไว้พอสมควรเพราะคุณหมอเองเขาก็ได้ททำประกันในการรักษาสุขภาพไปแล้วเขาก็รักษาอย่างนั้นเหมือนกันแต่ผลที่สุดก็ยื้อมาอยู่เหมือนกันก็ได้มรณาภาพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อลงไปเนะี่ยวันหลวงพ่อลงไปนะวันที่สิบเจ็ดวันที่สิก มรณาภาพตอนเช้าเนีลล่ยหลวงพ่อก็ได้ไปดูแลเกี่ยวข้องเพราะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ไปดูก็ได้ไปชุมเพิงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนนะ่ะอันนี้ก็คืองานที่สามสรุปแล้วไปที่ไหนก็เห็นแต่คนคนตายว่างั้นอะ มองไปที่ไหนลุกสิทธ์ลุกหาศรัทธาญาติโยมนั้นก็ป่ยวยพูนั่นก็เจ็บพูดีนก็อไข่ตัวเองก็ไปตรวจตาไปรักษาหมออีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าาลาธรรมมิาลางอนัตติโตพยาธิธรมมิพยาทิงอนัตติโต มรณะธรรมมหหมรณังอนัตติโตชีวิตของมนุษย์ก็อยู่ในวังบนเนี่ยวังบนสามตัวนีนะ่เกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าพวกเราไม่มีทางออกไม่รู้จะทำยังไงจะถามเราไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าว่าเราได้ศึกษาตามแนวแถวแนว แ, นวแนวถวทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้า ชีนะชี้นำให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่พวกเราโดยมากจะไม่ค่อยได้ฟังได้ศึกษาและเพ้อเผลอไม่เชื่ออีกต่างหากนะคําว่าไม่เชื่อนี่แหละคือศรัทธาไม่มีศรัทธาคือความเชื่อนี่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่มากเพราะว่าไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้สนใจในเมื่อไม่สนใจก็ไม่ได้รับก็ไม่ศึกษาในเมื่อ ถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเนะี่ยมันไปลักษณะวกวนเวียนไปหาตัวเก่าไม่รู้จะทำยังไงเอา้าในเมื่อไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องศึกษาสิถ้นะาไม่ศึกษาผมก็ไม่เชื่อนะีในใจไม่เชื่อนะี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นมันก็เหมือน ูกินหางอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราให้ฟังฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฟังแนวแถวครูบาอาจารย์ฟังอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยทุกวี่ทุกวันพยายามฟังฟังแล้วก็ให้ศึกษาให้ไตรตรองด้วยเหตุและผลหลวงพ่อเองพูดคําไหนไม่ให้ว่าให้พวกเราเชื่อทุกคาไม่ใช่ แต่ให้ปฏิเสธทุกคำก็ไม่ใช่ฟังแล้วให้ศึกษ า, ฟ, าฟังแล้วให้ใส่ใจฟังแล้วให้ไตรตรองไข่ควรทบทวนที่ได้ยินได้ฟังนั้นในเมื่อเราได้ยินได้ฟังไข่ควรทบทวนดูแล้วนั่นละที่นี่เราจะมองเห็นทางออกวิธีความคิดของเรา เมื่อเราเป็นฆราวาสหรือว่าเป็นเราอยู่ทางโลกเราก็อมองหาวิถีชีวิตของเราจะออกเดินออกทางไหนการทํามาค้าขายเราจะทํำยังไงการธรรมะการเรียนรู้วิชาความรู้เราจะเรียนรู้ในทางไหนเราจะหาประกอบวิชาอาชีพอย่างไรถ้าคนมีปัญญาก็ต้องหาช่องทางดําเนินชีวิต เพื่ออยู่รอดเรียกว่าเพื่อดำรงชีพของตนเองถ้าว่าอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ก็ต้องหนีไปหาอยู่หาต่างประเทศเรีก ว, ว่าหาเงินเพื่ อ, อยังชีพเพอๆอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้เพื่ อ, อยังชีพอัตภาพให้ตนเองให้เป็นไปอันนีค้คือวิธีการหาเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองแต่วิธีพิธีทำทางธรรมะนี่ โดยมากพวกเราไม่ค่อยสนใจใครเขาบอกหมดเอื้อมไม่รู้จะทำยังไงโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยที่ลงพ่อมองมอ ง, มองเห็นพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คือไม่ได้สนใจขาดความเชื่อเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะเมื่อได้ยินแล้วก็นีน่แหละเอให้สนใจแล้วก็ สึกความเชื่อไว้ก่อนเพราะพรดพุทธเจ้าท่านตรัสยังไงท่านพูดยังไงท่านทำยังไงจากนั้นเราก็ลงมือปฏิบัตินั่งภาวนาพยายามนั่งให้นานเพราะเราหน้าที่ของเราไม่มีอะไรอยู่แล้วนั่งให้เป็นชัช่วโมงชั่วโมงชั่วโมงเป็นไงบังคับตัวเองให้นั่งแล้วก็เดินแล้วก็นั่งให้มีสติสัมปชัญญะในการนั่งและการเดินของตนเอง ให้จริงจังดูซิเป็นยังไงถ้าไมา่ได้กเอาสักอาทิตย์หนึ่งดูซิเอาเร่งอย่างขนานหนักแล้ว่งั้นเถอะทาง ง, งานอย่างอื่นเราจึงทำได้แต่นี่เราเรื่องนํานับทําจิตภาวนาคือหน้าที่ของเราโดยตรงอยู่แล้วเราจะไปะเถลไถลบางานนั้นสำคัญงานนี้สําคัญมันไม่ถูกต้องนะเพราะเหตุไรเพราะเราบวชเข้ามาในงานของเรา งานหลักของเราก็คือจิตตภาวนาแต่ทําไมาเราจึงไปเอาเรื่องภายนอกเข้ามาเรื่องติดต่อก็คู่กับคนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอการเรื่องงานภายนอกว่าเป็นของสําคัญอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราคิดอีกเหมือนกันนะอย่าไปส่งออกนอกมากไม่ได้นะเสียนะกว่าที่มันจะรู้ได้ที่ไหนได้มันจับหางกระหางขาดจับหูกับหูขาดอย่างที่ว่านะ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราดูพยายามภาวนาให้ติดต่อการนั่งก็พยายามนั่งให้มากเดินยืนนั่งนอนอริยบทสีแต่นอนอย่าไป น, นอนมากนะนะถ้านอนแล้วมันหลับคือพยายามให้มีสติในขณะที่เรามีสติอยู่ถ้านอนแล้วมันกขาดสติ ถ้านอนหลับถ้านอนไม่หลับมันก็ไม่ขาดแต่โดยมากมันจะหลับมากกว่าเพราะนั้นยายายินดีในการประกอบความเพียรในการนอนเอายืนเดินนั่งเอาเรียบทสามนี่นะ บ, บังคับดูซิสักหนึ่งอาทิตย์เอาให้สักหนึ่งอาทิตย์จะไม่ให้จะให้ใจของเราไม่ให้เคลื่อนไหวไปไหนทดลองดูซิเป็นยังไง นี่แหะอยากจะให้พวกเราเออมีตีแล้วมีถอยว่างั้นเถอะเอามีแต่ถอยถอยอย่างเดียวออกไปมาก็งายหลังลงคลองอตายจมในกองกิเลสราคะโทสะโมหะไปที่ไหนไม่รอดแต่ถ้าพวกเราฮึดสู้บุกเข้าไปตีเข้าไปเออตีเขาที่ได้ผลวะกิเลสล่นหนีเป็นขบวนไปเลยไต ขยับเขาปีกตีเขาปีกผลี่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทางทําลายกิเลสวัตจักรวัตจิตของเราในจิตใจของเราแต่กระจุยกระจายลงได้แต่ถ้าเราจริงจังถ้าเราไม่จริงจังก็อย่างว่าเนี่ยตีเท่าไรก็ถอยล้นกิเลสตีเข้ามาก็ถอยล้นผลี่สุดกิเลสราคะเหยียบหัวใจ ออไม่รู้จะทำยังไงร้องห h มร้องให้ทั้งที่มันเคยเติดภพติดชาติมาจนพอแรงแนละ้วยังไปให้ความสำคัญมันอยู่กิเลสโทสะความน้อยอกน้อยใจความโมโหโทโศโกธาก็อยู่ในจิตใจสรุปแล้วก็คือกิเลสมหะนะี่คือความโง่นั่นแหละมันพาเป็นพาให้รักพาให้หลงพาให้รักพาให้โกรธพาให้โลภเพราะฉะนั้นพวกเราดูนะ ดูแหล่งทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจุดมุ่งมั่นจุดมุ่งหมายของท่านคืออะไรเราบวชก็ามาเพื่ออะไรเราเป็นอยู่เพื่ออะไรชีวิตประจําวันของเราเพื่ออะไรเนีถ้าเราไม่เชื่อมันก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ไปก็อยู่ไปเป็นชังก์ก็ตายเพื่อยังชีพเลี้ยงชีพตัวเองเป็นวันวันขอให้พวกเราทุกท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นอย่าลืมตัวสรับสรุปแล้วให้ศึกษา และก็ลงมือปฏิบัติให้จริงจังให้ยึดแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระธรรมะสงุงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้จริงจังอยากจะอยากจะให้มีตีมีบุกแล้วก็มีถอยอันนี้พวกเรามีแต่ถอยซะมากกว่าอถอยไปถอยมาก็ถอยลงของกิเลสราคะโทสะโมหะท่วมทน้นหัวใจหมดทางไปว่างาน่ะ หมุดหมืดมิดปิ ด, ดตากลับไปทางเก่าอีกกว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ที่ไหนได้พอหามเข้าหีบเผาลงแล้วเท่าแก่ชรลาไปแล้วเพราะนั้งพวกเราได้มาพบมาเจอทาคำสอนพ่อแม่ครูบายอาจารย์ที่ท่านได้แนะได้นำพวกเราให้ใส่ใจนะอย่าลืมตัวนะให้ยึดหลักธรรมวินัยไว้นะ หลักธรรมวินัยนั่นแหะประจําอยู่ในจิตใจของเราศีลและวินยัยเยควรจะยึดมั่นในใจิตใจอย่าไปหลอกแหละไม่ได้นะเห็นแก่อยู่เห็นแก่กินเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องมันดีได้ที่ไหนเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะกินขนาดไหนก็กินเถอะบํารุงขนาดนั้นก็บํารุงเถอะเออ ไม่พ้นความตายเหมือนกับเพราะนั้นเราจะทำยังไงจึงจะหนีจากความตายได้นอกจากทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าวเอาไว้ให้พิจารณาให้รู้ใเห็นตามความเป็นจริงให้เบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นหละจึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าว่าพวกเรามาเกิดอีกพพหน้าชาติหน้าจะเป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นคนเราไม่กินจะทำยังไง พอกินแล้วไม่ถ่ายจะทอยังไงกินแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็หลับหลับแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็หลับหลับแล้วก็ตื่นแล้วก็ร้อนแล้วก็หนาวอย่างเนี้ยไปบางประเทศยิ่งหนาวกว่านี้อีกบางแห่งบางที่ก็ฝนตกบางที่ก็ร้อนจนเกินไปมันก็อยู่อย่างนี้ระโลกกันจะหาความสุขได้ที่ไหน คิดดูให้ดีก็แล้วกันนะเพราะนั้นถ้าเราทำทางหนทางให้สั้นได้เป็นดีที่สุดพยายามพวกเราทำพยายามทำหนทางให้สั้นเข้าคือให้เห็นมักเห็นผลได้ได้มักได้ผลเร็วที่สุดนั่นแนะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งนะถ้าผู้ใดเห็นผลกับผู้นั้นถึงหลักหลักใจว่างั้นหลักัยจบ ไม่วกวนเวียนในวัฏะสงสารอีกถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะพูดทางนี้ท้งนั้นคล้ายๆว่าให้ขันเกี่ยวให้มันแน่นต่อหลักธรรมคาสอนต่อจิตตภาวนาต่อคุณงามความดีต่อมรต่อผลนะวันนี้ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ ตอนนี้ไปรับผ่อนอนุโมทนาให้ผ่น